ระบำกฤิดดาพินิหารนางรำคนที่สามสัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกชื่อเอาไว้แอดมินขอแทนชื่อของน้องว่าปันก็แล้วกัน ปัจจุบันปันน่าจะอยู่มหาวิทยาลัยปีสามแล้วปันเป็นคนมีเซนต์ตั้งแต่เด็กจะรู้สึกอะไรได้ไวกว่าคนอื่นเวลาไปที่แปลกๆแล้วรับรู้ถึงอะไรบางอย่างปันจะสัมผัสได้ว่าตรงนี้ของแรงนะเวลาไปต่างจังหวัดปันจะถูกเพื่อนๆส่งให้ไปเป็นหน่วยกล้าตายอยู่เสมอย้อนกลับไปตอนประถม ปันได้มีโอกาสคัดตัวเป็นนางรําของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นภูมิใจมากเพราะได้ไว้ผมยาวปันเป็นนางรําตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 ง่ายๆว่าพอจบจากประถมก็เป็นนางรําของโรงเรียนมัธยมต่อเลยตอนประถมปันจําได้ว่าห้องนาฏสินที่ใช้สําหรับซ้อมรําจะอยู่ที่ตึกเก่าชั้นสองห่างเดินไปตึกเก่านั้น เป็นทางแคบๆระหว่างตึกกับรั้วโรงเรียนตึกเก่านั้นมีแค่สองชั้นชั้นล่างไว้เก็บของชั้นบนเป็นพื้นที่ของชมรมลำปันจำความรู้สึกที่เข้าไปในห้องน่าจะสินครั้งแรกได้ดีแม้ตอนนั้นจะเด็กมากแต่ก็สัมผัสได้ถึงความอบอวนไปด้วยสิ่งโบราณ ความรู้สึกเหมือนมีคนมากมายอยู่ในห้องนั้นทั้งๆที่มีเด็กนักเรียนเพียงแค่สี่ห้าคนที่เดินตามครูสอนรำอยู่และนั่นเป็นครั้งแรกที่ปันได้รู้จักพ่อแก่พ่อแก่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวนาตาสินใครที่เข้าออกห้องนี้จะต้องไหว้ทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งก่อนจะรำงานวันพ่อ ก็มีการซ้อมใหญ่ในตอนเย็นแต่แผ่นเพลงเกิดมีปัญหาครูเลยให้ปันไปหยิบอีกแผ่นมาให้ระหว่างทางเดินเล็กๆที่เดินไปปันได้ยินเสียงระนาดเสียงดนตรีไทยที่ดังมาจากชั้นสองของตึกเกา่าจนปันมาหยุดที่บันไดก็ยังคงได้ยินอยู่ปันตัดสินใจก้มหน้าแล้วเดินขึ้นบันไดช้าๆจนถึงชั้นสอง แล้วเสียงเพลงก็เงียบลงทันทีที่ปันก้าวมาถึงหน้าประตูในห้องนั้นไร้เงาของคนมันเงียบและไม่มีใครอยู่เลยปันจึงรีบวิ่งแววแผ่นเพลงพอหยิบได้ปันก็หมุนตัวเดินออกมาแต่ยังไม่ทันจะ ก, ก้าวพ้นประตูเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกแล้วปันกลัวมากด้วยความที่ยังเด็ก ปันรีบวิ่งมาหาครูแล้วก็ร้องไห้หนักมากในตอนนั้นคิดว่าเหตุการณ์นี้หนักที่สุดแล้วตั้งแต่เจอมาแต่พอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ปันจะต้องเจออีกนั้นมันน่ากลัวกว่านี้มากพอเข้ามัธยมปันก็ยังอยู่ชมรมรําเหมือนเดิมแต่ช่วงมตน้นปันก็อยากลองเล่นดนตรีไทยดูบ้าง เลยเปลี่ยนไปลองเล่นรานาดเอกจนถึงมสามก็ 3, กลับมาเป็นนางรําเหมือนเดิมแล้วมันก็ทำให้ปันได้เจอกับเรื่องราวที่ทำให้ปันจะต้องจดจำไปจนวันตายมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ปันชอ็อกคนทั้งชมรมชอ็อกคนที่รู้เรื่องได้ยินได้ฟังก็ต่างพากันตกใจหมด เหตุการณ์ตอนประถมที่ปันเจอนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยมากหากเทียบกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ปันอยู่ม .5 ปันถูกอาจารย์คัดเลือกให้ราในวันพิธีเปิดตึกเรียนใหม่การแสดงมีหลายชุดชุดแรกเป็นราอวยพรชุดที่สองเป็นราสุขโขทยัยส่วนปันราระบำกฤิดดาพิณิหาร คู่กับตัวพระซึ่งเป็นกระเทยเพื่อนของปันเองพวกเราก็ต้องเตรียมตัวซ้อมกันก่อนที่จะถึงวันจริงปกติรํากฤิตดาพิณิหารจะนิยมรำสองคู่มีตัวพระสองตัวนางสองแต่ด้วยความที่ตัวพระของโรงเรียนปันนั้นหายากจึงรําแค่คู่เดียวคือปันกับเพื่อนก่อนที่จะซ้อมรํา ปันจะไหว้พ่อแก่ทุกครั้งและกล่าวขอโทษทุกครั้งหากรํำผิดพลาดตรงไหนปันรู้สึกใจหวิววิวตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนวันงานสองอาทิตย์แล้วแต่ปันก็คิดว่าปันคงคิดมากไปเองเพราะกระเทยเพื่อนปันนางก็พอจะมีเซนอยู่เหมือนกันแต่นางไม่พูดหรือทักอะไรปันจึงไม่คิดอะไรมากทุกวัน ตอนปันรอซ้อมรำพร้อมเพื่อนปันจะซ้อมท่าต่างๆรอก่อนห้องซ้อมรำจะเป็นห้องกระจกกระจกรอบห้องเลยด้านหลังบนสุดจะเป็นพ่อแก่ถัดมาจะเป็นชดาเกี้ยวหัวชุดไทยและเครื่องประดับต่างๆตรงเหนือกระจกกลางห้องจะมีหุ่นนางรำตัวพระกับตัวนางวังอยู่ข้างบน ทุกครั้งที่รอเพื่อนมาปันก็จะทบทวนท่ารำเพื่อซ้อมให้ไวขึ้นจะได้กลับบ้านเร็วน้องๆที่รำชุดอื่นก็ทยอยกลับบ้านแล้วเพราะเวลาเลิกเรียนของม .5 คือห้าโมงเย็นกว่าปันจะลงมาซ้อมรำเด็กๆ ก, ก็กลับกันเกือบหมดวันนั้นปันซ้อมรำอยู่คนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่า มีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเอียงหัวรำท่าต่างๆหางตาจะมองเห็นเหมือนมีคนมารำด้วยตอนนั้นปันกลัวมากเหงื่อแตกเต็มไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่ห้องซ้อมรำเป็นห้องแอร์กระเทยเพื่อนปันเปิดประตูเข้ามามันทำหน้างงๆแล้วถามปันว่าไม่กี้ครูออกมาดูท่าให้เหรอเห็นยืนรำท่าเดียวกันเลย ปันเงียบไม่พูดอะไรจนเพื่อนสังเกตเห็นว่าปันหน้าซีดจึงให้พักก่อนแล้วค่อยมาซ้อมกันคืนก่อนวันจริงปันรีบเข้านอนั้งแต่หัวคำ่ำเพราะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าช่วงที่ปันกำลังเคลิ้มจะหลับปันเห็นเงาจากแสงที่รลอดมาจากหน้าต่างตรงกลางห้องปันเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังไร้รำอย่างอ่อนช้อยปันรีบข่มตานอนแล้วท่องนโมตัสสะจนเผลอหลับไปพอตื่นนอนขึ้นปันก็รีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปแต่งหน้าทํำผมตั้งแต่ปันก้าวออกจากบ้านหมาก็หอนทันทีเหมือนกับปันนัดกัน มาในซอยหอนดังลั่นจนพ่อปันต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อไปส่งปันพอมาถึงโรงเรียนปันก็มาแต่งหน้าทําผมการแต่งกายของระบำกฤิดดาพินิหารเป็นชุดเครื่องใหญ่หากนึกไม่ออกให้นึกถึงชุดนางสีดาในเรื่องรามเกียรติมันเป็นชุดแบบนั้นเลยพอแต่งตัวเสร็จ ปันรู้สึกอึดอัดมากจะว่าเพราะชุดมันแน่นไปก็ไม่ใช่มันอึดอัดอยู่ในอกพอปันแต่งตัวเสร็จแล้วสักพักกระเทยเพื่อนปันก็เดินมาหานางแต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วนางก็พูดออกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รำให้จบเพลงนะมีสติไว้มากๆเมื่อปันได้ยินดังนั้น ก็แทบจะร้องไห้คำพูดของเพื่อนปันเหมือนกับมันบ่งบอกอะไรบางอย่างปันจึงทำได้เพียงแค่พยักหน้ารับเท่านั้นจนเวลาใกล้จะเก้าโมงพิธีเปิดงานใกล้จะเริ่มแล้วการแสดงชุดต่างๆก็ไปสแตนบายที่หลังเวทีในสนามหน้าเสาธงการแสดงชุดแรกและชุดที่สองผ่านไป จนถึงการแสดงของปันปันและเพื่อนร่ายรำตามแบบที่ซ้อมกันมาใบหน้ายิ้มแย้ม ท, ทั้งทั้งที่ในใจปันก็กลัวเหลือเกินความรู้สึก อ, อึดอัดทวีเพิ่มมากขึ้นจากที่รำกันแค่สองคนปันก็สัมผัสได้ถึงนางรำอีกคนที่ยืนรำอยู่ข้างหลังปันแม้ว่าเสียงดนตรีจะดังขนาดไหน แต่ปันก็ได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดอยู่ข้างหลังปันอยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็นึกถึงคำพูดของเพื่อนปันที่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้รําให้จบเพลงจนถึงช่วงสุดท้ายของเพลงปันเอียงหัวไปทางซ้ายก็ได้ยินเป็นเสียงของผู้หญิงพูดว่าตั้งใจรําสิร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบ มาจับที่หัวของปันให้เอียงอย่างช้าๆตามจังหวะเพลงปันเริ่มน้ำตาคลอรู้สึกเย็นเยือกไปทั้งตัวทั้งทงที่อากาศร้อนมากในใจอยากจะเร่งให้จบเพลงไวๆจนอีกอึดใจต่อมาการแสดงของปันก็สิ้นสุดลงปันตัวสั่นไปทั้งตัวจนต้องมีคนพยุงปันออกจากตรงนั้น อาจารย์พาปันมานั่งพักและกระเทยเพื่อนปันก็วิ่งตามมาอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปันยังไม่ทันได้พูดอะไรเพื่อนปันก็พูดว่ามีคนมารามกับพวกหนูเป็นตัวนางมายืนราอยู่ข้างหลังปันปันหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วถามมันว่ารู้ได้ยังไงเพื่อนปันยึงตอบว่าก็กูเห็นเงาใส่ชุดไทย เดินตามตั้งแต่ตอนแต่งตัวเสร็จแล้วพอตอนรำกูก็เห็นเขายืนรำอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็ประคองมือรำวันนั้นทั้งวันปันอยู่ในอาการหวาดกลัวจนต้องโทรบอกแม่ให้มารับกลับบ้านวันถัดมาปันก็มาโรงเรียนตามปกติแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักปันว่ากริดาพิณิหาร มันต้องราเป็นคู่ไม่ใช่เหรอทำไมเมื่อวานรากันสามคนหลังจากวันนั้นปันรีบชวนกระเทยเพื่อนปันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งที่ปันมองไม่เห็นสิ่งนั้นจากนั้นปันก็ทาใจอยู่นานกว่าจะเข้าห้องน่าจะศิลได้แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปันก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย อาจารย์และคนอื่นๆเชื่อว่าวิญญาณตนนั้นคงไม่อยากให้การแสดงของปันออกมาผิดพลาดจึงมาคอยช่วยเหลือ สัมภัสอง